เรณุราชกุมารผู้เป็นพระราชโอรสและเป็นพระสหายของมหาโควินทพรามขึ้นเสวยราชก็ตรัสสั่งโควินทพรามให้แบ่งราชสมบัติออกเป็นเจ็ส่วนส่วนหนึ่งเพื่อพระองค์อีกหส่วนเพื่อกษัตริราชกุมารอื่นๆที่เป็นพระสหายรักใครจึงมีเจ็ดแคว้นเจ็ดราชธานีดังนี้หนึ่งแคว้นกาลิงคะ ราชธานีชื่อทันตปุระ 2. แควนอัศกะราชธานีชื่อโปตนะสแขวนอวันตีราชธานีชื่อมาหิสติ 4. แขวนโสจิระราชธานีชื่อโรรุกะ 5. แควนวิเทหะราชธานีชื่อมิถิลา 6. แควนอังคะราชธานีชื่อจำปา7แขวนกาสี ราชานีชื่อพารานศีมหาโควินทพรมเป็นปุโรหิตถวายอนุาสา์แด่พระมหากษัตริย์ทั้งเจดแคว้นนั้นต่อมาได้กราบทูลลาพระมหากษัตริย์ทั้งเจ็ดออกบวชประพฤติพรหมจรรย์เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายเป็นราชาของราชาทั้งหลายเป็นพรมของพวกพราหมณ์และเป็นเทวดาของพวกขฤหบดี